เตือนนะเป็นอย่างไงบ้างช้านี้เปฏิบัติดึงหายใจไหมเวลาเราตั้งใจเก็นไปมันคือดูเหมือนมันเหมือนคล้ยๆเราพยายามจะนิ่งเกินไปนะอยากใหเป่นร่างกายมนถึงร่างกายก็พยายามแบบนิ่งเกินไปนะ ใบหน้าเองวันทีก็พยายามนี่เกินไปนะสันเกตเลยเนาะหรือบางคนอาจจะยังคุ้นเคยกับการสับตานะ mm hmm. ก็อาจจะค่อยๆลองฝึกดูนะลองแล้วก็ลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนดูว่าดึงตาแต่แต่มองมองแต่ไม่ได้สนใจต <c ười> าแล้ว น, นะ ปิดนี้ปิดคือไม่สนใจอะไรเลยไม่ไม่เห็นอะไรเลยนะแต่แบบมองเห็นแต่ไม่สนใจน <c oughs> ะแต่อาศัยใจสนใจสิ่งที่ที่กำลังทำที่จริงบางทีเรอ า, าอาจจะฟังมากเาินอาจจะสับสนนะอย่างรู้สึกตัวที่จริงก็เพียงแค่ว่าให้ รู้ว่าตัวกะลังทาอะไรแค่นี้แหละนะแต่ไม่ใช่รู้ผ่านการคิดไม่ต้องไม่ใช่ว่าทำไปคิดไปเหมือนเราทานอาหารนะเราทานดิ้งมนะันสัมผัสกับอาหารนะอันนี้คือความรูม้สึกแต่ถ้าแบบทานไปแล้วก็คิดอันนี้มันเรียกว่าอะไรมันทําอย่างไรมันชื่ออะไร นี่คือเราทานไปคิดไปหรือนี่นี่หวานไปเค็มไปเนะี่ยคือคิดนะหรือคิดว่ากำลังคิดว่ากาลังทานอยู่เขาคือการคิดนะแต่ขณะที่ที่ลินสัมผัสกับอาหารขนาดนะั้เรียกว่ารู้สึกรู้สึกแค่นั้นแหละนะหรือโยมอะเรา อะไรที่พอถือได้นะขวดน้ำก็ได้หรือว่ากระเป๋าก็ได้นะทดลองลองถือยกซิ่งรู้สึกยังไงบ้างฮะรู้สึกถึงน้ำหนักรู้สึกถึงการจับไหมแค่นั่นแหละฮะ แต่มีใครคิดไปมากตรงนี้ไหมมีไหมโน้ตยกขึ้นสูงลดลงรู้สึกแด้ไรู้สึกถึงน้ำหนักเลยอันนี้ก็รู้สึกถึงการหยุดไห ม, มบิข้างไว้ก็รู้สึกเป็นแบบามลง มีใครคิดไหมว่าท่า น, นี้มันหนักกี่กิโลหนักกี่กรัมคิดไห ม, ไมเออนั่นแหละแต่ถ้าบางทีเราจะมาคนิดอาจจะคิดอันนี้นก็ไม่ใช่นะก็สิ่งที่บอกคือแค่ให้จับให้ยกใช่ไหมแค่ให้รู้สึกจฉยเฉเราไม่ได้มาคำนวณมาอะไรใช่ไหมหรือบางทีคิดมีไหมให้ยกทําไมมีไหม <c oughs> ให้จับทําไมนะ แต่ในความสึกที่มาก็ยามว่าคือเรารู้สึกในการจับหรือรู้สึกในในในน้ําหนักที่เรารู้สึกได้แต่ไม่ต้องไปคำนวณอะไรแค่แค่นี้แหละอันนี้ก็เหมือนการั่นเครื่องก็แค่รู้ว่าเครื่อนหยุดก็รู้แค่รู้ว่าหยุดยกก็แค่รู้ว่ายกหยุดก็รู้ว่าหยุดวางก็รู้ว่าวาง สัมผัสขณะที่สัมผับเรารู้อยู่แค่นี้ถ้าเรารู้แค่นี้นะไม่ต้อง ม, มันเป็นการสัมผัสอย่างที่บอก น, นิ้นสผัสกับมือไม่ต้องสือกายสัมผัสกับกายรู้แค่นี้เองนะไม่ได้เลือกแต่บางทีเราจะไปรู้ข้ามดี <c oughs> บองทีเราเมื่อเราขับรถสยองแล้วขับรถแน่นอนมันต้องเจอทางแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะส่ง แต่ขณที่เราขับไปถ้าเรามัวติคิดว่าเดี๋ยวข้างหน้าต้องเดี้ยวซ้ายข้างหน้าต้องเดียวซ้ายทจริงอาจจะกลาเป็นกิโลนะแต่เรายําคิดว่าเราต้องเดียวซ้ายเลียวซ้ายมันไม่จําเป็นแต่จริงตรามิสติประกองในการขับพอใกล้ๆเราอาจจะค่อยคิดว่าต้องเดียวซ้ายแล้วก็ค่อยเลียวซ้ายใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราทำทีอย่างบทต่างๆก็ค่อยแก่รู้สึกรู้สึกไป ถามีงานที่ต้องใช้ความคิดก็คิดแล้วก็จบจบแล้วก็วางแต่ถ้าเราทําในรูปแบบตอนนี้อยากให้วางความคิดทุกอย่างไว้ก่อนมันจะได้แบบแยกง่ายเลยปะ่ะตอนนี้ทําในรูปแบบเนี่ยทุกความคิดวางไว้ก่อนแม้แต่การจะถามอะไรดี <c oughs> หรือเมื่อเช้าเลือดได้ถึงสิ่งที่จะมาพูดแล้วก็เ อ, อพยายามทำความเข้าใจอันนี้ก็วางนะวางไปเลย สำคัญคือรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะให้เรารู้สึกตัวง่ายๆมันจะคล้ายๆเป็นการเห็นว่าอ๋อช่วงที่รู้จิกเฉยแล้วไม่คิดมันเป็นแบบนี้แล้วต่อไปพอมันคิดขึ้นมาเราจะรู้ว่ามันมันไม่ใช่ละนะเพว่าทุก อ, อย่างให้รู้สึกธรรมดาแต่พี่นะว่ามันก็มันก็จะ เกิดความคิดแตก บ, บ้างก็เอย่าไปรําคามันนะก็แค่แค่รู้ตัวแล้วก็กลับมาใหม่นั้นแต่เราทางเข้าวลองสัมผัสดูโยมการตักรู้สึกถึงการตักการเคี้ยวรู้สึกถึงการเคี้ยวรู้แค่ทีละณะทีละณะทีละณะแต่ต้องไม่ถึงขนาดว่าแบบตั้งใจเต็นไปนะ มันจะถ้าตั้งใจเกิไปมันจะเกรงเกรงมันจะแบบเหมือนไม่ค่เป็นธรรมชาติเป็นหุ่นยนต์แล้วก็ทําทเป็นปกติธรรมดาแต่แต่ถ้าไจรู้สึกว่ามันคุ้มซ่างมากเกินไปบางทีอาจจะเบรดนิดนึงอบางทีกินไปเพลินลืมตัวเนะแบรบดนิดนึงวางทอนวางซ่องตั้งใจตั้งใจใหม่อนะจตั้งใใหม่ให้รู้สึกตัว เรยกมือตั้งจังหวะเราเลยโยกมืองเหมือนกันถ้ามันรู้สึกว่ามันซุ้มซ่านมากขาดสติยาวนะไอ้ขาไปแล้วก็ชั่งหัวมันอะวางมือใหม่อะรู้สึกตัวแบบกำลังนั่งใช่ไหมรู้สึกถึงการนั่งอืมรู้สึกใหม่จีินะครับไปเลยนะคือมันไม่ได้ผิดที่มันหลงแต่จริงว่าแต่ก็ต้องตั้งใหม่ตั้งใหม่หมอืม แต่นีมันก็เราจะทำในจังหวะในทำในรูปแบบหรือว่าเราทำนหกรูปแบบแก็ถ้ามันรู้ตัวปรุงร้างมากก็ก็คือเพิ่มความตั้งใจเข้าไปใหม่ในครั้งต่อไปนะอย่าไปคิดสงสัยว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอ่าตื่คิดแต่ว่าจะทำไงใ ห, ให้มันดีวันนี้วานไว้ก่อนนะครัเริ่มใหม่ทีละข้งแต่ถ้ามันเครีออยด ก, ก็อาจจะอืมก็ดีแหละเล็กน่อย เมองหรือว่าบางทีก็ผ่อนคลายร่างกายยิ้มบ้ า, อบางอือพอเลาะบ้างหรือบางทีก็หายใจเข้าที่ที่ว่าหายใจให้นสชื่นขึ้นหรือบางทีก็ลองทําเล่นๆแบบนี้ด้มันก็รู้สึกได้นะพอเออพอเริ่มเข้าที่เข้าทางกนะ็เหมือนไม่เป็นเหมือนบอลนะยกบองตัวเองนะออืจ๊ะ คล้ายรีเซ็ตใหม่นะมันยุ่งมันช้ามันแห้งก็รีเซตใหม่เริ่มใหม่่ะมันช่างมันบางที่มันช้าบางทีก็ต้องเริ่มใหม่อย่างเงี้ยนะไปรอไปอยู่กับมันตลอดมันก็ไม่ไหวก็ต้องเริ่มใหม่นั่นก็มันมีใหม่ๆอยู่เสนอนาะที่มาผู้ตอนเช้าก็อะไรที่มผ่านแล้วก็ช่างมันอะไรที่ยังไม่เกิดก็ช่างมันใสใจแค่รู้สึก ทีละครั้งนะถ้าคนใ ห, ใหม่ๆก็อยากจะแนะนําให้รู้สึกกายให้มันชัดก่อนเบื้องต้นต น, นะจะไปเห็นใจอืเลยบางทีก็คนใหม่ไม่เคยปฏิบัติเลยก็อาจะเห็นยากเสื่อมเจ็บปวความคิดมันลากไปหรือบางคนก็เหมือนก็มานติดใจมเป็นนามธรรมเนาะอางทีก็จะไปคอยดูว่ามันอยู่ตรงไหนไ <c oughs> อเดีย่ตรงไหนไอมันเป็นไปนคอย แต่ถ้าเราดูดูผ่านความรู้สึกตัวตรงนี้มันเห็นกายไปก่อนในช่องว่างบางทีขนาดที่มันหยุดหรือขณะที่มันเคลื่อนบางทีมันจะเจอแทะอข้ามาเขาจะเห็นเขาจะเห็นแทกเองเข้าถ้าคนใหม่เนี่ยแต่ถ้าคนเก่าก็าา ก, ก็สบายสบายอย่าไปกำหนดกายมากเกินไปทำพอดีพอ ด, ดีสบายมาจะเห็น สลับกันระหว่างกายกับใจไม่คิดอะไรก็ได้ที่มันเด็นก็ดูไปนอ ก, ก็ฝากไว้นะักกินข้าวก็ดีนักเดินในนอกรูมแบบก็ดีก็พยายามมีสติทำไงให้มันได้ต่อเนื่องมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะลองดูสังเกตดูบางทีคนอื่นพูดแล้วก็มีสตินะ ใจเราไปสนใจเขาพูดใช่ไหมนะนี่บางทีคือคำว่าใจมันไหลไปแล้วนั่งอยู่ดีๆนะกินข้าบางทีบางคนไม่ใช่เนื้อขอไปไม่อะไรถ้าไม่พิลึแต่ดีใจเราอะ่ะไปสนใจเขาไปาสังเกตุ น, น็อกอะไรนั่นคือสังเกตดูแต่ถ้าไม่จําเป็นต้องพูดก็อยากก็อยากให้อีู่กับตัวเองให้ไม่น้อย น, นะอย่าไรล มาที่มันจะเถอเอไปพูดคำสองคำมโยกสองมโยก ม, ยมก็ไหลไปนานเป็นหลายนาทีก็มีนะเราทางนองนับตาไว้บ้างนะแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวักเปลี่ยนที่